อย่างโยมที่เข้ามาในห้องนี้แล้วก็วิจารยานันนะเพราะว่าทมที่หลวงพ่อพูดมันก็พูดในทางของทางปัญญาแล้วก็เป็นการรู้ตัวในปัจจุบันแต่ทีนี้ถ้าโอเคถ้าโดนใจเหมือนกับว่าจะหลุดมาทางนี้ก็กฟัง แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่จริตของเราฟังไม่ได้ก็มันมีทางเลือกเยอะเนาะอย่างยมหน่วยว่าเนี่ยมันเยอะจะเรียนภาคปริยัติล้วนๆก็มีจะเรียนภาคเปิดทานเรื่องให้ทานอ น, นิสงส์ของทานก็คงมีแหละแล้วก็เรื่องศีลศีลเรื่องสมาธิอย่างสายของอะไรนะหลวงพ่อวิริยังเนี่ยถ้าฟังส่วนใหญ่ที่เราฟังเนี่ยท่านเน้นเรื่องสมาธิเนาะแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านสอนเหมือนกับว่า แค่มีสติรู้สึกตัวเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญามันก็ควบเลยไปเลยตีเดียวเดียวแต่ก็ถ้าดูจากตัวเองอะตัวเองก็ได้เบื้องต้นเนี่ยมันก็ได้โอเคแหละเรื่องศีลเรื่องสมาธิน่ะได้อยู่แต่ปัญญานี่ค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าเราเราไม่เข้าใจเรื่องปัญญาทีนี้เราก็ต้องฟังอย่างเราฟังหลวงพ่อประโมทฟังหลวงพ่อสุรศักดิ์อะไรแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านแบบ ขั้นปรมาจารย์นะเนาะครูกรมาถานฟังแล้วก็ต่อยอดพอต่อยอดเราก็มาดูอารมณ์ความรู้สึกอาการต่างๆที่มีในกายในใจของตัวเองเนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงว่าเออมันมีการเกิดขึ้นและมันการเสื่อมไปจริงหรือเปล่าทีนี้พอตอนหลังมันก็เริ่มรู้จักอ่ะรู้จักอารมณ์เนาะโดยเฉพาะอารมณ์ทางใจเนี่ยว่ามันแปรเปลี่ยนต ล, ตลอดตลอดเวลาเลยทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เริ่มเดินปัญญาเป็น เดินปัญญามันมีสิ่งพวกเนี้ยบางทีหลวงพ่อเห็นอย่างง่ายๆนะแต่บางคนก็ไม่สังเกตมันมีอย่างนี้อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีมีเพื่อนพระเนาะเพื่อนพระทีนี้อาจจว่าเดิมเนี่ยเพื่อนพระก็ก็เดินอยู่ก็มีีหนึ่งนะแต่ตอนที่ต่างคนต่างอยู่ก็เป็นอิสระของตัวเองมันก็รู้สึกมันก็ปกตินะเหมือนกับว่าทางจิตใจมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ความรู้สึกว่าที่มันปรากฏขึ้นในชนิดที่แบบเกิดอะไรที่มันอะไรเนี่ย แต่พอเราเดินเข้าไปหาพระอีกรูปหนึ่งตรงเนี้จะเห็นอาการทางจิตเกิดขึ้นแล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันรู้สึกอาจจะแบบรู้สึกหมายภาษาคําพูดนะมันจะเป็นไงมันจะรู้สึกแบบต้องระมัดระวงังต้องหรือสับรวมมากขึ้นหรือรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจแบบเก้อเก้อบอกไม่ถูกอะมันเยอะแยะอ่าแล้วก็พอเราเดินผ่านไปเอา้าอารมณ์เหล่านั้นก็หายไปแล้วมันก็กลับคืนสู่ปกติอีก พ่อก็เดินกลับมาเองเพื่อเพื่อสังเกตดูว่าเอ้าพอมาเข้าใกล้มันก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วพอเดินไอตัวนี้ก็หายไปแล้วก็เป็นปกติอีกอย่างเราเนี้ยหลวงพ่อก็เคยแนะนําบอกญาติโยมนะถ้าโยมดูจิตไม่เป็นนะโยมใช้วิธีแบบหลวงพ่อก็ได้หรืออย่างผู้หญิงกับผู้ชายอย่างนี้นะผู้หญิงกับผู้ชายต่อให้เป็นเพื่อนกันเนี่ยตอนที่ต่างคนต่างอยู่มันก็ก็เป็นอย่างนั้นแต่พอเราเข้าใกล้สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีความปรุงแต่งความคิดมันบอกไม่ถูกว่ า, วามันคืออะไรอ่ะ แล้วก็พอเดินผ่านไปมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้ตรงที่บอกไม่ถูกเนี่ยอาการพวกเนี้ยมันมีอยู่จริงแต่เราไม่รู้จะบัญญัติเรียกอารมอาการแบบนี้ว่ายังไงอะ่ะเหมือนกับภาษาบางทีมันไปไม่ถึงแต่สัมผัสด้วยจิตก็จะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมอย่างน้อยก็มันมีความคิดอะไรก็ไม่รู้ ม, มันต้องมีคือมันเป็นธรรมชาติอ่ะหรือไม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงก็ได้ค่ะสมมติว่าเรา<ม>เรากำลังเดินเดินอยู่นะคะแล้วเราบังเอิญไปเห็นคนบ้าอยู่ข้างถนนอย่างงี้ก็ได้ค่ะ มันจะเกิดในความรู้สึกเองค่ะว่าเฮ้ยต้องยังไงต้องมันมันจะบอกไม่ถูกค่ะแต่มันก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่มันจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะคล้ายๆเหมือนระมัดระวังตัวต้องยังไงหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะมันบางทีเข้าหาครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะไอตอนที่ไม่เข้าหาเนาะเราก็อยู่ปฏิบัติเราก็ฟังท่านมันก็ก็ปกติอย่างนั้นแต่พอเรามากราบท่านเนี่ยความรู้สึกมันเกร็งๆมันแบบมันผิดธรรมชาติไปอ่ะเนาะมันไม่เหมือนเดิมอะ ตรงนี้มันดูง่ายมากอะโยมคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเพ่งจ้องอะไรหรอกมันโชยโชยโชยขึ้นมาให้รับรู้ได้ก็เรียกว่ามันมันปรากฏแค่เพียงให้รับรู้เนาะซึ่งไม่ต้องห้ามไม่ต้องอะไรถึงห้ามก็เอาไม่อยู่หรอกกดก็ไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันปรากฏขึ้นอย่างอิสระของมันนะแล้วก็ใจเนี่ยใจที่มีสติก็แค่รับรู้รับทราบเพื่อเพื่อเรียนรู้ก็เรียกว่าเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดในจิตในใจว่า สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครจะบอกว่าจิตนิ่งเฉยตลอดเวลามันมันเป็นไปไม่ได้ไงเมื่อมีเหตุให้มันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนคนเหมือนกับว่าบางทีขาดการสังเกตก็เลยมองไม่เห็นสิ่งนี้ไปจิตะจริงๆอะมันมันดูง่ายนะเท่าเาเหมือนกับถ้ารู้จักแล้วดูเป็นแล้วเนี่ยมันมันจะโชว์จริงๆโชว์เป็นมายิ่งนะสมมติว่าเรา อย่างหลวงพ่อเนี่ยนะอยู่วัดเนาะอยู่วัดบางทีต่อเนื่องกันหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนไม่ได้ออกไปข้างนอกพอเราออกมาข้างนอกเนี่ยตาหูมันก็ได้ผัสสะเนาะกระทบทั้งหูตาแล้วก็มันลงมาสู่ใจทําให้จิตนี้แบบตื่นมากเลยนะตื่นในการรับรู้เนาะรู้คือตื่นรู้รับรู้สิ่งที่เกิดในจิตในใจอ่ะแล้วก็รับรู้จากที่เห็นข้างนอกอย่างเนี้แต่ความสงบของใจอ่ะซึ่งมันเป็นสมาธิที่มันตั้งมั่นมานานแล้วไงแล้วก็เออก็ได้แต่รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบ มันเหมือนกับว่ามันไม่จิตเนี่ยคือมันไม่ไปร่วมวงแสดงกับเหตุการณ์แต่ว่ามันก็ได้แต่รับรู้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือจิตเนี่ยมันจะตื่นรู้มากเลยมันตื่นคือเหมือนกับว่ามันมีสิ่งมาเหมือนกับกระทบเนาะให้ตื่นแล้วความรู้สึกว่าแบบือมันเป็นบรรยากาศที่แบบมันบอกไม่โทรกันแล้วภาษามไปไม่ถึงอีกมันเหมือนกันอย่างนี้ค่ะถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับเหมือนชามใบหนึ่งเมื่อใส่ของเหลว จะใส่ของแข็งจะใส่ร้อนจะใส่เย็นจะใส่อะไรก็ได้คือมันก็เป็นมันก็เหมือนกับมากระทบเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดอะไรกับกับชามใบนั้นเลยค่ะต้องใช่ต้องประมาณอย่างนี้แหละเนาะนี่อย่างอย่างโยมเนี่ยอย่างที่เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันไปไ ป, ไปทดลองได้หมดเพื่อเพื่อให้เกิดการรู้การเห็นขึ้นมาเนาะว่ามันเกิดอาการอย่างไรคือเราไม่ต้องไปไปไปจ้องเพ่งหรอกให้มันเป็นแบบปกติเหมือนกับคนไม่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเข้าไปในที่ไหนก็ได้ แล้วก็เดี๋ยวอาการในจิตมันก็จะ<อ>เปลี่ยนแปลงให้รับรู้<อ>รับทราบ<ช>เองเอง่ายมากเลยแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันมาพลาดตรงที่ว่าทำไมเรารู้สึกเราต้องเพง่งเราต้องจ้องด้วยเนาะจริงๆอ่ะมันก็แบบนั่งปกตินั่งให้สบายผ่อนคลายเป็นปกติเออใช้คาว่าปกติแล้วก็อะไรปรากฏขึ้นมันก็รับรู้รับรู้ทราบรับรู้รับทราบร จริงๆ ม, มันเป็นปกติค่ะหลวงพ่อที่ว่าคือทำไมเราต้องถึงต้องเพ่งต้องจ้องเพราะว่าคือเราโดนเอ่อต้องเรียกว่าโดนสั่งสอนแล้วก็โดนอบรมมาเป็นทอดๆค่ะหลวงพอ่อมันก็เลยเหมือนกับต้องการเอ่อเหมือนกับครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้หรือว่าอย่างเช่นเราไปเคยไปเข้าคอร์สแบบนี้มาเราต้องสังเกตแบบนี้อย่างนี้ยค่ะ เราก็เลยตั้งใจว่ามันต้องมานั่งเพ่งนั่งจ้องอยากเรารู้สภาวะอยากจะรู้สึกตัวใช่อะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยต้องการแบบว่าฉันต้อง เพ่งนะต้องดูมันว่าเป็นยังไงจะได้เวลาสอบอารมณ์หรือสภาวะจะได้มาอธิบายถูกอะไรอย่างนี้นะคะใช่หนูเข้าใจตรงนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็ผ่านตรงนี้มาก่อนค่ะหลวงพ่อค่ะไปเตบที่เรียนที่แรกนี่ค่ะที่ที่เชียงใหม่เนะคะเขาก็สอนหนูมาว่าให้จดจ่อะไเลยค่ะให้เขายังจําสโลแกนเขาได้ค่ะคือมัอนกัว่าให้ให้เรากําหนดจดจ่อกําหนดด้วยนะคะกําหนดไปด้วยแล้วก็จดจ่อไปด้วยอะไรยังจําได้ เขาเรียกว่า อ, อะไรพอเราปฏิบัติเรื่อยๆนะพอเราก็รู้ว่ามันอึดอัดใช่ไหมคะอึดอัดนะค่ะหลงพอ่อทีนี้พอมันผ่านการก็เรียกว่าการจงใจการเจตนาอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็รู้จักเป็นอย่างดีว่าโหเอาตัวเราไปปฏิบัติชัดๆเลยตัวเราไปทําเอาตัวเราไปจ้องเอาตัวเราไปเพ่งมันจะเห็นว่าโอ้มันไม่รู้ตัวเลยนะั่นนะ่ะแต่มันเอาตัวไปทําไปรู้ไปกําหนด แต่พอรู้ตัวปั๊บมันจะมีอีกรู้หนึ่งเนี่ยที่หลวงพ่อพูดในตอนท้ายๆอยู่เสมอว่าต้องรู้จักไอธรรมชาติที่รู้เรานะรู้เราอะไรก็รู้ว่าเราไปปฏิบัติธรรมรู้ว่าเราเนี่ยมีการเดินมีการเดินย่องมีการทำหน้าทำตาอย่างนั้นมีการอะไรเนี่ยให้เห็นตัวเรา <S <S แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยก็รู้ตัวเราเสเนี่ยว่าตอนนี้ตัวเราเข้าห้องขับ มือนกัว่าเข้าห้องขับจริงอแต่จ ร, จริงต่างคนต่างอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้เข้าไม่ได้เคล้าอะไรหรอกเ <c> ด <oughs> <c oughs> ีว่าเอาเป็นพื่ว่าเนี่ยให้รู้ตัวเราว่าเนี่ยตัวเรามาอยู่หน้าหน้าโทรศัพท์ก็ได้ให้เห็นเราเนี่ยหรือว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่หน้าอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตัวเราเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เรารู้บางบางเบาเมันรู้ได้ก็เพียงที่จะให้รู้ให้มันชํานาญมากขึ้นว่าไอ้รู้เราเนี่ยก็คือรู้แบบนี้แหละรู้แบบเล่น ก็บางเบาเพราะว่ารู้เราเนี่ยมันทําให้เป็นสภาวะที่หลุดทําให้ที่หลุดที่พ้นตัวเราเป็นสิ่งถูกถูกรู้แล้วก็ธรรมชาติรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ตัวเรามันก็เลยพ้นหลุดจากตัวเราตินี้พอเราเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวเรานี่แหละไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นตัวตายนะ ม, มันชัดเจนเลยว่าเป็นตัวแก่ตัวเจ็บตัวตาย ถ้าไม่ชตดเข้าอีกก็มองเลยนอนให้เห็นมันนอนติดเตียงเลยมันนอนติดเตียงเลย <c oughs> เขามัดเชือกด้วยนะเขามัดแข้งมัดขาเพื่อไม่ให้ดิ้นอะ่ะเห็นไหมละ่ะไอตัวเราที่เป็นตัวตัวตายตัวปลอมเนี่ยถูกถูกกระทาอย่างนั้นเลยแต่ไอธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันพ้นไปจากตัวเรามันก็ไม่ได้ถูกมัดด้วยไงใช่ไหมไม่ได้นอนติดเตียงด้วยเพราะว่ามันมันไม่มีปรากฏตัว มันก็เลยไม่ต้องถูกมัดไงเออไม่ต้องถูกไม่ต้องถูกจีดยาไม่ต้องถูกอะไรอแต่บางตัวเราว่าอาหมอจิตยาแล้วหมอให้น้ําเกลือแล้วอเงี้ยกลับนมาตการหลงเพิ่งเปล่อยซะอาทิตย์หนึ่งไหวเดินก็ไม่ไหวนี่วันนี้จะต้องให้พูดมั่งแล้วปอดมันจะได้ขยายกลิ้งเปนลูกขนนอยู่บ้านต้องให้ปอดขยายเสมหาจะได้ต่ออ่าตอนนี้ขอพูดในเรื่องของอคุณยมจะพูดต่อไหม อ๋อก็ฟังหลวงพ่อแว๊บๆค่ะอเอาเอาเรื่องของ <c oughs> เอาเรื่องของโยมแหม่มมาพูดเนาะคืออย่างนี้คือพวกเราเนี่เนา ะ, ะตอนนี้เขาเรียกว่ารูปสิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่นอกตัวเรานอกตัวเราก็คือเอาเป็นว่าอยู่ที่ตัวโยมแหม่มทีนี้ตัวโยมแหม่มเนี่ยเราถ้าเคยรู้จักก็เอเคก่อนนี้โยมแหม่มก็ไม่ได้มีอาการป่วยไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าสภาพร่างกายก็ อ่ะเรียกว่าปกติเนาะไม่มีอาพาธอ่ไม่มีความป่วยไม่มีอะไรต่างต่าแต่บัดนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนสภาพมาเป็นตรงนี้พวกเราก็ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเนี่ยเขากําลังโชว์ให้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงนะสังขารเนี่ยสังขารของโยมแแบบเนี่ยมีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองนะมีเหตุให้มันเป็นมั น, น, มนก็เป็นนะหมดเหตุมันก็ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอนเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในอาการลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาเรียกว่าหนีไม่พ้นแต่ทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจนะเข้าใจเรื่องธรร ม, มาชาติเนี่ยว่าอ๋อไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของที่มันเป็นเองนะไม่ได้เราไม่ได้ไม่เราไม่ได้เป็นผู้ทําเราไม่ได้ให้มันเป็นนะ เข้าใจเรื่องเรื่องความเป็นเองแบบนี้ยเราก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่าอ๋อสิ่งพวกนี้ที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทําทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าเรียนรู้จากภายนอกทีนี้น้อมกลับเข้ามาใส่ตัวว่าไอเราเองเนี่ยมันก็เหมือนกับโยมแหม่มมันแหละเคยป่วยเคยหายเคยปวดเคยป่วยมาแล้วไม่รู้กี่รอบมันก็เป็นเป็ น, ปนหายหายเหมือนกันะ พอเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าใจธรรมชาติด้วยตัวเองแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นในกายในเนื้อในหนังของตัวเองเนาะก็จะเรียนรู้มันเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งก็เหมือนกับว่ามันเป็นปัญญาเนาะแล้วก็พอเป็นปัญญาเนี่ยมันใจเนี่ยมันก็จะเป็นกลางเป็นกลางต่ออาการเหล่าเนี้จะไม่รังเกียจจะไม่อะไรมันคือได้แต่รับรู้รู้เป่าๆตามหัวเรื่องหลวงพ่อตั้งอ่ะเนาะคือรู้เป่าๆก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นน่ยเออพอรู้เป่าๆเสร็จ มันไม่มีกิเลสตัณหาที่อยากจะให้เป็นอย่างโน้นให้เป็นอย่างนี้มันก็จึงเหลือแต่รู้เบ า, าเรียกว่ารู้ซื่ อ, อรู้ที่จิตรู้ได้ใจที่บริสุทธิ์อย่างเนี้มันจะไม่เกิดทุกข์กับเจ้าของเลยนะเพราะว่ามีปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนี้เองอันนี้พูดถึงส่วนกายเนาะแต่ส่วนใจอะ่ะถ้ามีปัญญาเข้าใจเรื่องกายแล้วเนี่ยใจมันก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเนาะเพราะกายกับใจมันคนละส่วนกันกายป่วยใจไม่ป่วย ใจที่มีปัญญาไม่ป่วยได้แต่รู้นะรู้เปล่าเปล่า <laughs> รู้เปล่าเปล่ารู้แล้วไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นะานะการเรียนธรรมะเนี่ยจริงจ ง, จงมันมันจะว่ายากในเบื้องต้นเนาะแต่เมื่อมีปัญญาเนี่ยปัญญาก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆจนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะพอเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวพอมันก็จะขยายความเข้าใจเรื่องอื่นๆได้อย่างลงตัวว่า ทุกอย่างมันก็อยู่ภายใต้กฎอันนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวพอแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็เข้าใจได้เอง น, นเห็นไหมโ <c oughs> ยมโยมแห ม, มป่วยเห็นไหมเอามาเป็นธรรมะได้เยอะเลยอย่างนี้หลวงพ่อคนส่วนใหญ่อะ่ะเวลาป่วยอะ่ะมันจะเอาอย่างเดียวมันจะเอาหายอย่างเดียวอย่างอื่นมันไม่เอามันจะเอาหายเนี่ยแหละแล้วมันก็เลยทําให้เกิดควา ม, มทุลักทุเลทุลนทุลาย เพราะว่าอยากจะไปเอาของที่มันยังไม่ถึงเวลาจะหายเนาะทำให้มันมันมีความค า, าดหวังมันมีความดินนม้นรนนะนความไม่ยอมรับซึ่งซึ่งไออาการอย่างเงี้ยเหล่านี้คือมนุษย์ทุกคนน่ะมันมีสัญชาตญาณเนานะในการที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่ อ, อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย มีความต้องการความสุขสบายมีความไม่อยากจะเดือดเนื้อร้อนใจทุกทรมานอะไรก็ตามเนะี<ะ>่ยไอความธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ตรงนี้<ะ>เองนี่แหละที่มันทําให้รู้สึกบีบขันเพราะว่าไปสร้างความไถยานอยากขึ้นมา<ะ>ตัวหนึ่ง<ะ>เพื่อเรียกร้องเอาสิ่งที่มันเกินกว่าธรรมชาติจะจัดสรรให้ได้อันเนี้ก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรเนาะจริเอ่อทางการแพทย์เนี่ยเนาะหมอที่รักษาคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยจริงๆอะเขาเรียกเขาเคยได้ยินท่านหนึ่งพูดว่าเขาเรียกว่าเดรัชานวิชาด้วยซ้ําคือเดรัชานแปลว่าขวางเนาะเป็นการขวางธรรมชาติการรักษาการแพทย์ยก็คือขวางธรรมชาติแต่ว่าโอเคอันนั้นมันก็สุดโต่งไปธรรมชาติในปัจจุบันเนี้ย วิทยาการเทคโนโลยียุกยาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มันช่วยทําให้เบาบางทุเลาเบาคลายอาการเจ็บปวดทุกทรมานไปได้บ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่หมดอยู่ดีฉนั้นการชะลอการทําให้เป็นไข้ลดไข้ปวดเป็นปวดหัวลดปวดหัวอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการลดแต่ว่ามันไม่ได้หายไปทั้งหมด มนุษย์คาดหวังว่ามันต้องหายไปทั้งหมดเป็นเหมือนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเสียแล้วซ่อมแล้วต้องเหมือนเดิมเลยเคยเดินขึ้นเขาได้สามลูกป่วยแล้วก็ต้องขึ้นได้สามลูกเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พึงสังอรระวังว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์หนึ่งคนน่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เดินไปสู่ความเจริญหรือความเสื่อมอ่ะมันก็คือเดินไปด้วยกันนั่นแหละเสื่มอมกับความเจริญมันก็อยู่คู่กันร่างกายสังขารมันมีเจริญมันก็มีเสื่อมเสื่อมบางเรื่องจเจริญบางเรื่องจเจริญทางปัญญาสัง่งร่างกายเสื่อมลงอะไรก็ตามมันมันเจริญเจริญและเสื่อมมันเป็นของคู่มันก็เป็นไปพร้อมๆกันนั่นแหละเมื่อ <c oughs> ไหร่ที่เราเข้าใจธรรมชาติได้จดจแจ่มแจ้งว่าจเจริญก็สักแต่ว่าจเจริญเนาะ เสื่อมก็สักแต่ว่าเสื่อมเนาะเราก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจมันแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังมากแต่ไม่ได้แปลว่าปล่อยแปะละเลยสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราต้องทำตาหน้าที่เนาะไม่ใช่แบบว่าป่วยแล้วก็บ้นนอนอยู่บ้านให้มั น, น ต, าตายตายไปเลยไหนๆขอเราอยู่แล้วเนี้ยแมันก็สุดต่งไว้อีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น uh huh. การอยู่บนโลกนี้แล้ว ใช้ทรัพยากรหรือธรรมชาติที่มีอยู่ให้มันพอดีกับความเป็นตัวเราเนี่ยโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยให้มันสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยเนี่ยอันนี้เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตเนาะไม่มีใครชี้ว่ามันผิดหรือมันถูกมันสุดตง่งหรือไม่สุดโตง่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันมีทรัพยากรหรือการตัดสินใจไม่เหมือนกันก็อันนี้ก็ ฝากให้ท่านผู้ฟังอลองไปคิดพิจารณาว่าแค่ไหนมันจะเป็นการที่ไม่เข้าไปในส่วนสุ ด, สดทั้งสองที่พอดีกว ด, ดีเนาะค่ะสาธุค่ะครับนัมัศ ก, การหลวงพ่อครับมีคาถามจะถามหลวงพ่อครับืข อ, อ, บอข อ, อคาเมตตาคือตอนนี้ผมผมก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขันห่านะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ตัว ต, วตนเรานะ ที่มันก็จะมีอันหนึ่งที่ที่ยังรู้สึกว่ามันส่งผลตัวความเครียดเวลาคนเราเครียดอนะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมันอันนึงก็คือการปรุงแต่งการที่เราปรุงแต่งของเราเองเนี่ยเออมันมีมันมีวิธีปฏิบัติอย่างไงบ้างครับที่เราจะแบบเราจะรู้เท่าทันการปรุงแต่งนั้นนะครับหรือว่าเราจะต้องไปเริ่มที่ไปจัดการที่ไหนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าวิญญาณนะครับเพื่อให้เราแบบรู้เท่าทันการปรุงแต่งนั้นแล้วก็ สามารถอยู่เหนือการบูมแต่ง น, นได้นะครับขอบคุณครับอืมก็พูดถึงเนะเรื่องที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เนี่ยมันก็คงพูดถึงเรื่องของความรู้สึกตัวที่ที่เป็นปัจจุบันนะต้องรู้สึกตัวในเรื่องปัจจุบันเนี่ยเช่นครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องดื่มทำพูดคิดนะเนี่ยอันนี้ก็มาฝึกรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันได้แต่คนส่วนมากที่มีปัญหา นะปัญหาอย่างที่อย่างของโยม mm hmm. ส่วนเรื่องเครียดอะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. พวกนี้คือจิตไม่ได้รู้อยู่กับปัจจุบันแต่จิตอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอดีตบ้างอานาคตบ้างาก็คือความคิดพอคิดแล้วมันก็กลุ่มคิดแล้วเครียดเนาะแต่จริงๆอะปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องอานาคตมันเป็นเรื่องที่ที่รู้ตัวรู้กายรู้ใจที่กําลังทําอยู่เช่นเมื่ออถ้าสมมติว่าในส่วนส่วนกายก่อนก็ได้นะ เมื่อส่วนกายเนี่ยอย่างเมื่อกี้แต่จริงๆมันก็ผ่านไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านแต่ว่าก็พอจะหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายได้อย่างคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่โยมสติได้ถามขึ้นมาเนี่ยถามนี่ก็คือเอากายเนี่ยมาพูดล้พูดแล้วก็ถามปัญหาอันนี้เขาเรียกว่าสังขารแล้วล่ะขันห้าหรือทำงานแล้วนะมีการขยับมีการเคลื่อนไหวแต่ลืมรู้ไปว่า เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยขันห้ากำลังทำงานอยู่ลืมไปเลยที่ลืมก็เพราะว่าเออเาเรียกว่ามันสติของเราเนาะมันยังไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะเอาเรื่องอดีตเรื่องอะไรเนี่ยที่ที่เป็นปัญหามาถามแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ที่ถามเนี่ยรู้สึกตัวไหมถ้ารู้สึกตัวมันก็รู้แค่นั้นแหละว่าเออตอนนี้ร่างกายกำลังขยับแล้วก็ปากกำลังพูด หรือจิตใจมันอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่กำลังปรากฏอยู่ในใจนะบางทีคิดแล้วไม่ทันได้พูดแล้วมันก็ดับไปเสก่อนหรือบางทีคิดแล้วแล้วก็พูดตามที่คิดมันก็เป็นปัจจุบันอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าถ้าเราเน้นแต่เรื่องรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันอย่างนี้โรคต่างๆมันก็จะไม่ไม่มีไม่มาเครียดก็ไม่มีเพราะว่ามันมันตัดอดีตอ น, นาคตได้ทีนี้ว่า จะทำยังไงให้สติมีมากขึ้นก็ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลยเริ่มเดี๋ยวนี้เลยนะเริ่มรู้สึกตัวว่าเนี่ยตัวเนี่ยขันห้านี่แหละมันเป็นตัวตนเนี่ยเห็นอยู่รู้อยู่ทำอะไรล่ะขยับนั่งฟังอยู่ก็รู้ตัวอยู่มันคิดอยู่ก็รู้อยู่ว่ามันคิดแล้วก็รู้เป็นปัจจุบันอย่างเนี้ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรก็สังเกตการปรุงแต่งของมันเนาะสังเกตด้วยจิตใจที่แบบสบายสบายไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องอะไรนะเหมือนกับ นั่งรู้ตัวเองเนี่ยที่หลวงพ่อเคยพูดตั้งแต่ต้นเลยคนเราถ้ารู้จักตัวเองเนี่ยมันจางง่ายแหละแล้วก็รู้อยู่นั่งสบายนั่งหายใจหายใจเข้าก็รู้อยู่รู้อยู่ในขอบเขตของกายของใจแบบเนี้ยนะแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นการพักผ่อนด้วยซ้ําพอเป็นการพักผ่อนเความเครียดก็จางคายหายไปนีได้พักผ่อนเป็นในตัวแล้วก็พักผ่อนเสร็จแล้วมันก็ยังมีทําให้เข้าใจเรื่องการทํางานของขาหน้าในปัจจุบันก็เลยเห็นความแปรปรวนของ ของกายของใจก็ทําให้เกิดปัญญาได้ว่าที่แท้เนี่ยทุกอย่างที่มันขยับได้มันเคลื่อนไหวได้เนาะหรือว่าที่มันคิดได้หรือว่ามันมีความรู้สึกได้โอ้มันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะเรียกว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยโดยเฉพาะอนัตตาเนี่ยถ้าเข้าใจได้เป็นอย่างดีก็คือว่าโอ้มันเกิดเองดับเองมันเคลื่อนไหวเองมันขยับเองมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเองมันเป็นเองนะไม่มีเราเลยในพวกเนี้ย เมื่อไม่มีเราเห็นแจ้งอย่างนี้เสร็จแล้วก็ก็ไม่มีใครมาต้องปวดหัวไม่ต้องมีใครมาเป็นอะไรไม่ต้องมีใครมาป่วยไม่ต้องมีใครมาต้องหายป่วยมันมีแต่ขันหน้าอย่างที่โยมพูดนั่นแหละก็คือรวมแล้วมันลงในขันหน้าทั้งหมดเลยอืขันหน้าก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราอจะขอรบกวนอีกนิดนึ่งนะครับก็คือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับออย่างสมมติไม่สมมุตินะครับเอาตรงๆเลยคือ อย่าตอนเนี้ผมมีการส่งโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับให้กับผู้บริหารทําการตรวจแล้วก็อนุมัติโปรเจกต์นะครับว่าจะต้องวิธีการเนี้อนุมัติวิธีการนี้ใบหลักการนี้ไบนะครับกลายเป็นว่าอยู่ในกระบวนการของการรอการอนุมัติมาค่อนข้างหลายเดือนแล้วแล้วมันงานอื่นๆมันรันต่อไม่ได้ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการที่เรากังวล น, นะครับว่า เออถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ผ่านกลับมาแก้เราแก้กลับไปก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่มันก็เลยทําให้เราเดินกระบวนการงานต่อไปไม่ได้ในในในงานตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยเป็นความกังวลที่แบบเออมันจะทําได้ตอนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็แปลว่าเราก็ไปกังวลกับอนาคตกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมากเกินไปใช่ไหมครับก็ปัจจุบันเนี้ยมันยังมีความเป็นตัวเราเรามีงานเรามีโปรเจกต์เราต้องไปอย่างนู้เราๆรเราเห็นไหม แทนที่มันจะเป็นขันห้าเนาะมันเป็นเราไปแล้วไงเมื่อมันผิดแต่ต้นทางเนี่ยเพราะนั้นความเป็นเรามันก็จะเป็นเราอยู่เรื่อยไปแล้วไอ้ความเป็นเรานี่แหละมันจะทำให้ให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลแต่ว่าถ้าเปลี่ยนความเข้าใจผิดให้มันเป็นเข้าใจถูกเสียว่าการทางานเนี่ยมันก็เป็นก็เคเป็นเรื่องงานเป็นหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วแต่มันไม่ต้องมีเราเป็นผู้ทำแต่ยังทำเหมือนเดิม ทำด้วยความปกติเหมือนเดิมหรืออาจจะขยันกว่าเดิมก็ได้แต่ทำด้วยความเข้าใจถูกว่าที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของขันห้าทั้งชุดทั้งพวงเลยขันห้าทั้งเคลื่อนไหวทั้งพูดทั้งคิดทั้งรู้สึกทั้งคือตรงเนี้ยต้องอ่านให้ออกเลยเหมือนกับว่าโอ้มันไม่มีเราเลยนะเนี่ยแต่มันมีการทำงานได้อแต่ทำงานเนี่ยก็คือขันห้าถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยมันจะไม่มีอะไรเลยแล้วทำได้ดีกว่าเก่าด้วยซ้ํานะ ทีนี้ว่าของโยมเนี่ยจะทำอย่างไงให้มันให้มันเห็นถูกต้องเห็นถูกก็คือเห็นถูกเดี๋ยวนี้เลยว่าเดี๋ยวเนี้ยตอนเนี้ยมีแต่ขันหน้านะทีนี้เออลองลองดูสิว่าเข้าใจถูกได้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่ขันหนา้วนๆเลยที่มานั่งคุยนั่งถามนั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีแต่ขันหน้าไม่มีเราในนี้เลยทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมีแต่ขันหน้าแล้วยังไงขันหน้าจต้องทํางานเขาถามหน้าทํางานก็ถูกแล้วก็ทํางานไปแล้วเกิด เกิดอะไรขึ้นกับงานก็ไม่มีตัวเราไปลองรับมีแต่ขันหา้ารับรู้รับทราบไปแล้วก็แก้ปัญหาไปแก้ปัญหาไปเออก็ทําไปแก้ปัญหาไปมีแต่ขันห้าหมดเลยถ้าให้เข้าใจถูกตรงนี้ก่อนเนาะแต่ถ้าเข้าไม่ใจถ้ายังเข้าใจถูกไม่ได้มันก็ต้องรับผลอย่างที่ที่เป็นอยู่แต่ตรงนี้มันอยู่ที่ที่ปัญญาเนาะว่าขณะนี้ยเข้าใจได้ไหมว่าจริงๆโยมก็เข้าใจในภาคปริยัตแล้วเนาะว่าจริงๆมันมีแต่ขันห้าเนาะ มีแต่ขันหน้ามีแต่ขันหน้าแล้วตัวเราอยู่ไหนอ่ะตัวเราเนี่ยมันเป็นความหลงหลงไปว่าเราเป็นขันหน้าเราเป็นขันหน้าขันหน้าเป็นเรามันไม่มีเราจริงๆมีแต่ขันหน้าแล้วก็ทำาเอะทาอะไรก็ทำไปทำที่ชอบที่ชอบก็คือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนอะไรเนี้ยเอาให้ถามอีกมีอะไรคือคืออย่างนี้ครับก็หลวงพ่อก็จะบอกประมาณว่า ให้ให้เราให้เรารู้เท่าทันให้เราเอาตัวเองเป็นผู้รู้ไม่ต้องตัวเองอันนะให้ออกออกมาเป็นผู้รู้แล้วก็ดูกระบวนการ ข, ข, ขันห้าทํางานไปแต่ก็ก็แค่ดูใช่ไหมครับดูแล้วก็รู้ว่าว่าทำแต่ก็อยา่าไปอะไรกับมันก็ถือว่ามันเป็นกระบวนการที่มันต้องต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะเดี๋ยวตรงนั้นก็นอาจจะถ้าดูเอาองนี้ก่อนหลวงพ่อเาเรียกว่าทําความเห็นให้ถูกก่อนเนาะทําความเห็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะนะท่านก็บอกว่า ตามที่เราเรียนมานั่นแหละที่รู้กันหมดแล้วเนี่ยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นไม่เที่ยงเนาะเอเป็นทุกขังแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยทําความเห็นให้ถูกตอนนี้เลยเนี่ยว่าเออเนาะรูปก็ไม่ใช่ตัวเรารูปอนัตตารูปปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขารนอนัตตาวิญญาณังอนัตตาอนัตตาเลยอนัตตาเลยเนี่ยมันไม่มีตัวเราทําความเห็นให้ถูกก่อนนะเออทำความเห็นให้ถูกแค่นี้แหละ แล้วก็ทีนี้พอมันจะถามขึ้นมาเห็นไหมก็เห็นว่าอ่าไอ้ที่ถามก็เป็นเป็นสังขารเป็นขันห้าแล้วก็ไอ้ที่นั่งฟังอยู่รอคําตอบอ่ะมันก็เป็นขันห้าอยู่ขันห้ามันยังไม่แตกสลายเนาะมันก็ยังมีมันยังมีสภาพความมีอยู่เห็นอยู่จะถามมันก็เป็นขันห้าจะพูดก็เป็นขันห้าจะคิดก็เป็นขันห้าจะติดข้องติดคาอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็เป็นขันห้าหมดเลย เนี่ยให้ให้สังเกตอยู่อย่างเนี้ยว่าโอ้พอถามทีไรเอ้ามันก็ไม่ใช่เราถามอีกแต่ก็ต้องถามได้แต like ่มันก็เป็นสังขารคําว่าขันหน้ากับสังขารเนี่ยหลวงพ่อก็จะพูดสลับอย่างเงี้นะแต่จริงก็สิ่งเดียวกันแล้วก็สังเกตอยู่อย่างเนี้ยว่ามันมีแต่มันมีแต่สังขารมีแต่สังขารจะพูดจะคิดก็สังขารสงสัยก็เป็นสังขารวางไม่เข้าใจก็เป็นสังขารเข้าใจก็เป็นสังขารอยากได้อยากมีอยากเป็นเอ้ามันก็เป็นสังขารหมดเลย ตัวเราไม่มีเมื่อตอนเราไม่มีแล้วแล้วยังไงอ่ะมันก็ไม่มีไงอมันปรากฏขึ้นมาทีไรมันก็เป็นสังขารหมดเลยอายุกับปัจจุบันอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองว่าเออวะเอเอวะมีแต่สังขารที่ผ่านมานี่มันไม่รู้ตรงนี้ก็เลยไปหลงยึดสังขารมาเป็นตัวเป็นเราเป็นเราผู้ทําโปรเจกต์เป็นเราผู้ส่งโปรเจกต์เป็นเราถ้าโปรเจกต์ผ่านเราก็เออเรารู้สึกว่าเรา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นอ่ะมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอะ่ะ